ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านขอเจริญสุขเจริญพรท่านผู้ฟังผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติซึ่งรายการนี้จะมาพบกับสาธุชนเป็นประจำ ในวันและเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามข อ, อนำท่านสาธุชนเข้ามาศึกษาธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วนำมามอบเป็นมรดกธรรมแก่เราท่านทั้งหลายให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติวันนี้ขอนำสาธุชนเข้ามาศึกษาเรื่อง ทานกุศลในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลหรือพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้ข อ, อนำเสนอเรื่องทานกุศลย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอทางรายการนี้จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายไปพร้อมๆกันณบัดนี้ที่นี้อย่างที่ได้รับผลในมนุษยชาติอาตมาขอเล่าเรื่องอีกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวัน พรามซึ่งเป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของพระสารีบุตรพราหม์ผู้นั้นชื่อมหาเสนะพรามณ์เป็นพราหมณ์ตกยากอยู่ในนครราชครึกเป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อคือวังคันตาพราหมณ์พ่อของพระสารีบุตร พ่อพระสารีบุตรมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแหละมหาเสน่พราหมณ์ตกยากใขนขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็นึกเวทนาพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพ่ออยากจะโปรดตรงนี้ให้เข้าใจอีกนิดให้แน่ชัดว่า พระภิกษุในพระธรรมพระวินัยหรือในศาสนานี้ออกบินทบาทนะวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อประพุทธพรมจรย์นั่นอย่างสำคัญละเป็นวัตถุประสงค์หลักอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะเพื่อโปรดสัตว์โปรดสาธุชนนะให้ได้มีโอกาสทำบุญทำกุศล นี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญพระสารีบุตรก็เช่นกันอยากจะโปรดเพื่อนของพ่อเพราะจนเหลือเกินเดินผ่านไปทีไรมหาเสนพรานเกิดความละอายแก่ใจไม่มีอะไรเลยจะถวายลูกนึกทีเดียวว่าพระผู้เป็นลูกคือว่าเหมือนสเสมือนหนึ่งเป็นลูกของตน เลื่อมสายศรัทธาอยู่แต่ไม่มีอะไรถวายเลยเพราะเราก็จนจนอาหารก็ไม่มีแม้ถ้าเราได้อาหารจักนิดได้ผ้าสักหน่อยก็จะได้ถวายลูกของเราบ้างพระสารีบุตรก็ทราบความนี้มหาเสนพรามยังนึกต่อไปว่าโถ สารีบุตรลูกเราเนี่ยพระสารีบุตรลูกเราเนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าเรานี่ยากจนแค่ไหนเวลาผ่านมาที่ร้ายต้องหลบหน้าไม่กล้าสู้หน้าลบแม้ถ้าได้ข้าวสักหน่อยหนึ่งก็จะถวายลูกของเรานะพระสารีบุตรก็ทราบแต่ด้วยอำนาจของบุญอยู่มาอีกไม่กี่วันพรามนั่นก็ได้ ข้าวปลายาถาดนึงได้ผ้ า, าเนื้อหยับหยาบผืนหนึ่งนึกในใจแม่ถ้าพระสารีบุตรลูกเราผ่านมาทางนี้จะได้ถวายนะพระสารีบุตรก็ก่อนจะออกจากนิโรธสมาบัติก็เห็นทีเดียวตรวจดูก็เห็นมหาเสนะพรามได้ข้าวแนละ้วจะต้องไปปรด ก็ไปโปรดพอพบแล้วแม่ดีใจมหาเสนาพรามดีใจตนเองยอมอดถวายพระตาหารที่ได้มาถาดนี้แก่พระสารีบุตรก็ตั้งจิตอธิษฐานมาพระคุณเจ้าบรรลุธรรมใดก็ขอให้กระผมบรรลุธรรมนั้นด้วยพระสารีบุตรก็ให้พรขอจงสำเร็จ หลังจากนั้นอีกไม่นานมหาเสนาผรามตายตายก็ไปบังเกิดในตระกูลอุปถาคของพระมหาสารีบุตรนั่นแหละอีกไปเกิดไปตั้งปฏิสนธิโน่นอยู่เมืองสาวัตถีโน่นก็ไม่ห่างไกลาจากราชครื้เท่าไรแม่ก็แพ้ท้องเลยทีเดียวแหละแพ้ท้อง แพ ท, ทองกับประหลาดกับชาวบ้านรับแพ ท, ทองอยากจะนิมนต์พระตักห้าร้อรูปมีพระสารีบุตรเป็นประธานมาฉันที่นี่เราจะถวายให้เต็มที่เลยแล้วเราก็จะแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะจะกินอาหารเดนพระภิกษุนั่นอยากอย่างนั้นก็ไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยสาวก ลูกศิษย์ห้าร้อยรูปไปรับพัฒหารบิณฑบาตแม่ผู้เป็นแม่นางพระมณีถือบาตรถือขันทองแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะเหมือนพระถือบาตรทองนั่งอยู่ที่สุดท้ายสุดของแถวพระห้าร้อยคอยรับพัฒหารที่เหลือ รับทานพอรับทานเสร็จอาการแพรทองหายเป็นปลิดทิ้งจากนั้นมาทำบุญเรื่อยจนกระทั่งคลอดบุตรตั้งชื่อให้ซะเลยว่าติดสะซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับพระมหาเถระเพราะใจผูกพันอยู่เด็กนี้เมื่อครั้งเป็นทารกก็ยังมีนะจิตศรัทธาที่เดียวผูกพันกับพระสารีบุตร พระสารีบุตรมาพบเข้าความจริงแม่พ่อญาติพาเด็กเนี่ยไปหาพระสารีบุตรไปรับศีลไปฟังธรรมอยู่เป็นประจำก็เอาเด็กทารกเนี่วางไว้บนผ้ากำพลมีค่าแสนหนึ่งแสนกะหาปณะ น, นี่ไม่ใช่น้อย พออุ้มเด็กไปใกล้เด็กน่ะมันมีความรู้สึกเลยว่านี่ครูเรานี่ครูเราที่เราได้ถวายพัตนาหารได้ทำบุญใหญ่เนี่เพราะครูเรานี่แหละเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสศรัทธามันเกิดมันรักขึ้นมาทันทีเด็กตัวเล็กเด็กทารกเอานิ้วเกาะผ้ากาพลติดแน่นเลยไอ้ญาติไม่รู้ก็นึกว่าเด็กมันเป็นอะไรจับผ้ากาพลไม่ยอมปล่อย จะดึงมือออกแต่ว่าแม่เขาบอกว่าไม่ต้องปล่อยแก้เถอะไปดึงออกมือร้องไปดึงมือออกละร้องจ้าเลยเด็กไม่ยอมแม่ก็เลยอุ้มเด็กนี่ น, น่ะไปกราบใกล้ๆพระสารีบุตรด้วยความรู้สึกของเด็กนะ่ะปล่อยมือเลยนะ ปล่อยมือปล่อยผ้ากำพลหลุดตกลงไปแทบเท้าของพระสารีบุตรแม่พ่อก็เลยกล่าวกับพระสารีบุตรว่าเด็กถวายผ้านี้แล้วเจ้าเด็กติดสาะเนีย่ยทำบุญมาตลอดจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบปรารพกับแม่ขอบุตอยากจะบุญนี่ให้ดูนะความเวียน่หยตายเกิด ของสัตว์โลกนี่ไม่ได้อยู่ห่างไกลนะเห็นกันหลัดหลนี่แหละเอให้ให้เข้าใจไว้เห็นกันหลัดหลัดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องเวรภัยที่มันจองล้างจองผลาญกันเนี่ยมันไม่ไกลจากกี่พบกี่ชาตินะหรือว่าความดีที่มีต่อกันเนี่ยอุปการะกันเนี่ยมันก็จะเกื้อหนุนกันอยู่ในระยะไม่ไกล พ่อแม่ก็เลยให้เด็กบวชเมื่ออายุเจ็ดขวบเป็นสามเณรน้อยสามเณรติดสากบวชในสำนักของพระสารีบุตรพอบวชรุ่งเช้าวันแรกไปบินทบาทได้ผ้ากำพลห้าร้อยผืนเรียกว่าใช้กันไม่หวัดไหวเลยนี่บุญส่งแนละ้วทันทีทันตาเห็นเนะี่ยิงอยู่ข้ามภพข้ามชาติแต่ว่าชาติเป็นมนุษย์ และก็ไม่ห่างไกลด้วยได้พัฒนาบินทบาทห้าร้อยที่วันที่สองได้อย่างละพันคือได้เพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวพระที่อยู่ในอารามนะเป็นพันๆในนครราชครึ๊หนาว บางคนก็สั่นผิงไฟอยู่สามเณรน้อยเนี่็เดินไปว่าหลวงพ่อทาไมหนาวอย่างนี้ไม่เห็นมีผ้าห่มเลยหลวงพ่อบอกโถพ่อคุณจะไปมีอะไรไม่มีบุญเหมือนพ่อคุณนี่หลวงพ่ออยากได้ไหมล่ะบอกอยากได้สิมันหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาอยากได้พรุ่งนี้ไปกับผมกัผมจะบินทบาทเด็กเนี่ยไม่ได้นึกรู้เลยว่าจะได้อะไรจากไหนก็พูดไปอย่างนั้น จ้อยๆพระหนึ่งพันรูปไม่มีผ้ากำพลบอกไปก็ไปว่าอาศัยเด็กเจ็ดขวบนี่แหละไปด้วยเลยเดินตามเด็กต้อ ย, อ, ยออกนอกเมืองสะก่อนจะเนนน้อยเดินอาดๆอ อ, อ, ออกนอกเมืองไปตามร้านตลาดบ้างอะไรบ้างได้ผ้ากำพลมาห้าร้อยผืนวกกลับเข้าเมืองได้อีกห้าร้อย แต่ว่าตอนกลับมานี่ในเมืองเนี่ยมันของดีๆมันมีเยอะบางคนก็เที่ยวไปบอกกันอุ้ยเนรมาแล้วนะพระมาแล้วตั้งเป็นร้อยเป็นพันเชียวอุ้ยเก็บเก็บเก็บเก็บซาตะคืนไม่เก็บเดี๋ยวพระมาข อ, อขอต้องให้เนรขอต้องให้บางคนก็เก็บเนี่ยด้วยความจรนมีเก็บบางคนก็ มีผ้าดีๆเนี่ยผ้ากำพลราคาขนาดระดับแสนกะหาปณ ะ, ะเนี่ยมันแพงเนี่ยของดีนึกในใจแหมนี่ถ้าเราขืนตั้งไว้อย่างนี้ตะเกิดสามเณรมาพระมาถ้าเราไม่ถวายก็ดูกระไรอยู่ซ่อนซะดีกว่าผ้ากำพลแพงๆซ่อนราคาแสนกะหาปณะนะเอาไอ้ผ้ากำพลเก่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ห ย, ยาบๆเนะ้่วางไว้ข้างหน้า นึกว่าจะเปิดถวายก็ถวายอันนี้แต่พอสามนเนรเข้ามาใกล้ความรักเพียงดังบุตรมันเกิดขึ้นในหัวใจจับหัวใจเลยว่าอย่าว่าแต่ผ้ากำพลแสนหนึ่งเลยจะให้ควักหัวใจให้ก็แทบจะถวายให้ได้รักนี่อำนาจของบุญพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ว่าผู้ที่ทำบุญไว้ดีแล้วย่อมได้รับผลบุญนั้นเต็มเปีย่ยม ความรักมันเกิดควักมาให้เลยแหละไอ้แสนแสนเลถาวายเลยนี่อามาเล่าให้ฟังว่าผลบุญน่ะส่งนะส่งทุกภพ ท, ทุกชาติบุญส่งอย่างนี้ไม่ควรจะได้ก็ได้ไม่ควรจะเสียก็ไม่เสียหรือควรจะเสียพอจะเสียก็ไม่เสีย นี่อำนาจของบุญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าหากบุคคลเห็นประโยชน์ของบุญก็จงทำบุญบ่อยๆแล้วก็นึกอิ่มใจในบุญอย่าไปเสียดายเดี๋ยวพอให้ไปแล้วนึกเสียดายเสียดายนะผลบุญก็หด mm hmm. บางคน ถวายแล้วขอคืนในนั่นละหมดรูปเลยอย่างเราจะเห็นบุคคลเจริญรุ่งเรืองแล้วต้องวิบัตินั่นแหละหมดบุญอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเห็นประโยชน์ของบุญแล้วเนี่ย การทำบุญเป็นภาระของผู้ประสงค์จะได้บุญและถ้าคนจะทำบุญแล้วจงทำบ่อยๆให้ทำความยินดีในบุญที่เราทำแล้วเพราะว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทันว่ายอย่างนี้ทีนี้อาตมาจะเล่าต่อมาว่า ออันนี้ห่างไปนะเอาใกล้มาหน่อยดีกว่าใกล้มาหน่อยเรื่องของหลวงพ่อเราหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่แหละตอนบวชใหม่ๆนะอยู่วัดโทนี่แหละวัดโทท่าเตียนเนี่ยบินทบาทสองสามวันแรกนะไม่ได้นะกลับบาทเปล่า พออยู่มาวันที่สามที่สี่รู้สึกจะเป็นวันที่สี่หรือที่สามไม่แน่ใจได้ข้าวทัพพีหนึ่งกับกล้วยลูกหนึ่งกล่วยน้วาว่ากลับวัดจะฉันพอจะฉันในเจ้าสุนัขแม่ลูกอ่อนมันกําลังหิวเดินวุ่นงานวุ่นงานจะกัดลูกเอาไนอะ้ลูกก็จะแย่งกินนมแม่ไอ้แม่ก็หิว เพราะท่านเหลือบเห็นนะเมตตามันเกิดความเสียสละด้วยอํานาจของบุญบุญบารมีตอนนี้อาตมาขอวัดนะวัดนะวัดด้วยการคาดคะเนของอาตมาเองเนี่ยเป็นบารมีระดับอุ ป, ปะบารมีถึงปรมัิบารมีของหลวงพ่อตัดใจให้กะสุนัข เมื่อให้แล้วเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปเนี่ขึ้นชื่อว่าไม่มีขาดแคลนหยาบอย่ามีขอให้มีอยู่มีกินไปถึงบริวารทั้งหลายทั้งปวงให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดแหละอย่าได้อดอยากอย่างนี้เลยเพราะมันอดอยากมาสองสามวันนี่แมมันแสบไส้หน้าดูผลที่หลวงพ่อได้บริจาค ด้วยทานกุศลทานบารมีจะเป็นอุปบารมีประมัดบารมีขั้นใดบอกไม่ได้แน่แต่ว่าคาดคะเนเอาด้วยตัวเองว่าคงไม่น้อยกว่าอุปบารมีประมัดบารมีเพราะเหตุว่าตอนอดมาหลายวันแล้วก็เท่ากับว่าน้องๆสลาชีวิตนั่นแหละหรือใกล้เคียงนั้นนั่น เพราะประมัติบารมีด้แก่การระดับเสียสละบุตรภรรยาสามีข้าทาสบริวารทรัพย์สริงขานสละชีวิตเลือดเนื้อได้เพราะถือว่าบุตรภรรยาสามีนี่เสมือนหนึ่งดวงใจของตนสละได้ ข้าทาสบริวารทําให้เกิดความสุขก็สละได้สละความสุขส่วนตนเพราะฉะนั้นอาตามาก็าคาดคะเนเทียบเคียงเอาว่าต้องระดับนั้นใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลจากการสละของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดี๋ยวนี้วัดปากน้ําแม้หลวงพ่อมรณภาพไปแล้วเจริญรุ่งเรือง ด้วยปั จ, จัจสี่ไม่ขาดแคลนเลี้ยงพระเลี้ยงเนนเลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาแม้ผู้เข้าไปทำบุญนั่นแหละไปไม่ได้อดกลับมาอกอิ่มแปรกันกลับมาทุกคนนี่วัดปากน้ำโดยหลวงพอ่อแต่ต่มาจะเล่าอีกนิดหนึ่งทีนี้ใกล้ตัวเข้ามาอีกบุญในชาตินี้ อาตมาเมื่อสมัยเป็นคราวายัยท่องเที่ยวไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไปพบพระพบเนนฉันพัฒหารอยู่กลางป่ากลางดงบางทีก็ขาดแคลนข่ารถข้าราเพราะว่าพระเนนก็เดินทางไปกลับ จากท้องถิ่นมาเรียนหนังสือในกรุงเทพแล้วก็กลับบ้านบ้างจากบ้านมากรุงเทพบ้างหรือทำสมณ ก, กิจที่ใดๆก็แล้วแต่อาตมาถวายตลอดข่ารถข่าราไม่รู้ละถวายตลอดแต่ไม่ใช่ร่ำรวยนะถวายเท่าที่พอถวายได้แต่ใจมันถวายอยู่เรื่อยแหละตลอดก็คงจะบุญอย่างนี้ ก็มีคนถวายอาตามาตลอดเหมือนกันยิ่งภายหลังก่อนที่จะบวชประมาณแปดเดือนตั้งใจจะซื้อรถสักคันหนึ่งเพราะว่างานกิจที่จะต้องทำมากเหลือเกินแล้วก็จะบวชแล้วด้วย ก็ไม่มีรถรถของตัวก็ขายจะขายยังไม่ขายบวชแล้วไม่มีใครขับก็ต้องขายก็คิดว่าถ้าได้รถสักคันหนึ่งนีง่แมไปทำงานเพื่อพระาศาสนานดีมีคนถวายก็จะบอกซะเลยก็ได้เป็นผู้จัด ก, การชาวญี่ปุ่นของบริษัทรถบริษัทหนึ่ง ไอ้คันจะพูดไปจะโฆษณาให้เขาอาจจะผิดเรื่องจะซื้อเนี่ยราคาถูกจะไปขอเขาลดราคาเขาก็เลยพิจารณาว่าไม่ขายถวายแต่ว่าอย่าไปบอกใครอย่าไปประกาศเพราะเดี๋ยวใครไม่รู้มาขอใหญ่เลยอัตมาก็เลยมีรถใช้เพื่อกิจพระศาสนานี่มาตลอด ทีนี้นตอตมาจะพูดตรงนี้เพื่อจะให้เห็นอานุภาพของการบริจาคบ่อยๆด้วยจิตศรัทธาแก่พระภิกษุสามเณรเป็นค่ารถเป็นค่าพัดทหารแม้ว่าเป็นเงินเพียงไม่มากไม่มายอะไรถวายเรื่อยแหละห้าสิบาทร้อยสองร้อยถวายอยู่นั่นแหละเห็นที่ไหนถวายที่นั่นผลส่งอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อส่งแล้วเนี่ย เรามาดูคนถวายต่อมาคือผู้จัดการนั้นนะที่ถวายปรากฏว่ารถบริษัทนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ยอดขายพุ่งปรูดชนะเลยเป้าเลยสถิติการขายของพระของรถในรุ่นเดียวกันของบริษัทอื่นทุกบริษัท พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุธทธิคุณกําลังพูดถึงอานิสงค์ของบุญที่ให้ผลในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรคนทําความดีในส่วนของฐานกุศลอานิสงค์บางทีไม่ต้องรอถึงพบชาติต่อไปเห็นผลในปัจจุบันเช่นให้ในทำความดีในชาติปัจจุบันนี้ผลก็ส่งให้เราอิ่มเอิบใจที่ได้เสียสละ กำลังกายสติปัญญาความสามารถกําลังทรัพย์ให้แก่ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ผู้อื่นแก่สังคมประเทศชาติขึ้นไปตามลำดับก็จะส่งผลให้ผู้นั้นได้รับผลในปัจจุบันเป็นที่น่าชื่นชมยินดีของบุคคลรอบข้างและก็นำความอิ่มเอิบใจมาสู่ของผู้ประกอบบาเพ็ญกิจการบุญกุศลนั้นๆ ดังที่หลวงพ่อท่านได้ยกขึ้นมาแสดงให้สาธุชนได้เห็นเป็นตัวอย่างการทำความดีในปัจจุบันในข้อที่ว่าธรรมะบัญญายข้อที่ว่าทานกุศลย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคตนี่เป็นสัจธรรมความจรงิงในยืนยันคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำความดีย่อมได้ดีทาความชั่ว ย่อมได้ชั่วอย่างแน่นอนวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็นำธรรมะอันเป็นส่วนของการประกอบบำเพ็ญทานกุศลมาฝากท่านผู้ฟังให้ศึกษาให้รับฟังหลักของการทำคุณงามความดีในเรื่องนี้และได้เห็นตัวอย่างการประกอบบำเพ็ญที่หลวงพ่อยกมาให้ฟังหลายเรื่องและก็ ทางรายการได้นำเสนอจยกบริบูรณ์ในตอนที่สําสำหรับธรรมะเรื่องนี้และก็คลาวต่อไปอาตมาก็จะได้นำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การดาเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความสันติสุขแก่สังคมสู่ท่านสาธุชนในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ก่อนจากกันสาธุชนก็อย่าลืมทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเราประกอบคุณงามความดีแล้วก็อย่าลืมเผื่อแผ่บุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณโดยตั้งกัลยาณกิจปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมนายเวรท่านผู้จองล้างจองผลานเราตั้งแต่อดีต จนมาถึงปัจจุบันขอจงได้รับส่วนแห่งมหากุศลที่เราได้ประกอบบำเพ็ญตั้งกาญจนาิจแผ่เมตตาไปอย่างนี้อยู่เป็นประจำหนึ่งเนื่องก็จะทำให้เราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นการลดเวรลดไภัยไปในตัวสำหรับวันนี้ก่อนจากกันอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณประสงค์ขอจงมาช่วยปกปักคุ้มครองรักษาสาธุชนผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ประกอบสัมมาอาชีพโดยชอบขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในจิจการงานโดยชอบถ้าทำมาค้าขายก็ขอให้ประสบความสําเร็จซื้อง่ายขายคล่องถ้าประกอบจิจการงานราชการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขอให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเิอเจริญพร